ทรงอนุญาตให้สมมุติสันทัดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติสันทัดเพื่อภิกษุผู้เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมมุติสันทัตอย่างนี้วิธีสมมุติสันทัตภิกษุผู้เป็นไข่รูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉวงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำสันทัดติดตัวไปได้กระผมขอสมุติสันถัดกระสง์พึงขอสมุติสันทัดแม้ครั้งที่สองพึงขอสมุติสันทัดแม้ครั้งที่สภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมมาวาจาว่า560ท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็ น, าา น, น ไ, ไนนข้ไม่สามารถนำสันถัดติดตัวไปได้ภิกษุนั้นขอสมมติสันถัดจากสงถ้าสงพร้อมแล้วก็เพึงให้สมมติสันถัดแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำสันถัดติดตัวไปได้ภิกษุนั้นขอสมมติสันถัดจากสง์ ถ้าทรงพร้อมแล้วก็พึงให้สมมติสันถัดแก่ภิกษุเช่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมมติสันถัดแก่ภิกษุเช่อนี้ทารูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยทารูปนั้นพึงทักท้วงการสมมุติสันถัดสง์ให้แล้วแก่ภิกษุเช่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าจะถือความนิ่งเป็นมติอย่างนี้แล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้